แต่หากมมีเวลวคมฉลาดมีเครื่องกว่าอยู่ภายในใจนพูดอะไรมันเป็นเกตหน่าคิดนากพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้นี่เ ด, เด็กสมบัติเนี่ยมันพูดแ้หน้าฟังเขง้ามาไนหน้ารักเาเหมือนกันไ้นไปซื้อใครเขาไปบ้าน จาพิชานะ่ะทัานบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยอย่าเอาไข่หมาให้ให้เลยเด็ะเอาไข่คนให้เลยขนาดจ่าพิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดตตามาถามถึงบ้านนี่หมายความว่าไงมันบอกว่าเอาก็ซื้อมาแล้วก็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 ไปเกิดในพรโมโลกลกเจริญฌานในมนสเตโลกนี้พอดับจากขันเลยไปเกิดในพรโมโลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันฉานอยู่นานๆมาหมดอายุในพรโมโลกมันเกิดมเป็นมนุษย์อีกเจงว่าแต่ต้องหญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องหง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 เขาบอกว่าถ้าหาก็มีผู้หญิงรูปร่างลักษณะจะบ น, นี้ผิวพนอย่างนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยถ้าไปเจ้าหญิงไดเอารูปแนี้มาเล่าเหตการณ์ทุกอย่างในผลที่สุดวิดาบรรดาเคยอมตกลงจะแต่งงานคั้ น, นี้ดีใจก็เลยกลับไปไปบอกอาทิตถอาทิตธิบุรุษเรียกว่าอาทิตถิยาบุรุษ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 เนผลที่สุดจริง พ, พ, พุทธเจ้าของเราเห็นอุปนิสัยวาสนาเอาไปเทศให้ฟังเรื่องอนนี้ังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปครับสติได้ปัญญาจึงในสาเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพุทธเจ้าท่าน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 ถึงจะสร้างว่ามีแต่ก่ามต่อเป็นความฉลาดเรื่องกาตสักเท่าไรก็ตามเถอะมันเกิดอีหลังตัวโง่ทยก่อนให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดกลงๆเลยทีเดียวก็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 พอออกก้อนขาเท่นั้นทิ้งเลยกลับไปดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีกการรักาษาเนะี่พ้นจากเงือมือของมารแต่ออกก้นขาแล้วกลับไปให้มารถูกมาอีกไม่ใช่เป็นตัวต น, ม, น, นมาจากอื่นไกลมารคิดใจของเรานนัเองแต่งเราให้กลับ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 ทั้งรวมไม่ได้กับเพราะใจมันวุ н, ่นเพราใจมันยุบเพราใจมันรุ่มหลงโมเมาเพราใจมันสงสยัยรวมใจทั้งรวมใจมไม่ได้แล้วมามองดูเห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวอ๋อใจนี่มันส่ายสงสัยมันไม่สงบ ม, มันไม่นิ่งต้องคุมก็อยู่งันไปจนต่อสู้กันอยู่งั้นไปฆ่ากันก็ว่า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 ของนั้นยังไม่เคยประสบพบเหตุเคยเห็นได้ความยุ่งขมุน ว, วายเป็นของสบายความเพลิดเพลินหมอเป็นของดีความสงมบไม่เห็นไม่เคยเห็นไปเห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องอาเป็นของดีเรื่องอันนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแลฝ่าหน่ไม่ต้องสงสัยที่ว่าความ จุ่มเสมอได้ความสงบมนมีไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเ ข, าาข้าไปหาคอามสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพื่อสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องทีทึ้กุ่นวายอะไรต่างๆของภายนอกเ้าจิตมันจะต้องย้อนกลับกลัอมาหาคอามสงบหาความสุขอยตลอดเวลาหาที่พึ่งจะตลอดเวลาจริงได้เามาเปียไในพระพานเองเขฟัง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 เต็นนอนนั่นน่ะอันตรายรอบด้านเหมือนกันนี่หากเวลานอนนี่ น, นั่นอ่ะมีคนมาขโมยของแลไม่รู้สึกมันกระชิบหายเพราะเวลานอนไว้ไหมกระชิปหายเพราะเวลาหลับอ้าว่าเขาโจนขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขนาะนั้นตาย ง, ง่ายที่สุดเราจะเรียวกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้